ขอน้อมน้อมต่อคุณบรัตนตาตรัยโอกาสพราจารย์ส่งสินเพื่อจำเให้ทุกท่านจเจริญธรรมแม่ชีและญาติที่ทำทุกท่านในวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันวิสาขบูชาเนาะ <c oughs> เป็นวันที่ตรงกับวันประสูติตัสลูปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> วันที่มีการตัสรู้นั้นก็ถือว่าเป็นวันที่สาคัญที่สุดเนาะ ครนี้พระเจ้าเนี่ยทรงตัดสั้นอะไรทรงตัดสั้อริยสัจสี่นะคือทุกสมุทยัยนิโรธมรรณะครนี้น่ะนนสองอสองประเด็นที่ว่าสามารถแยกมาได้นะก็คือทุกแล้วก็การประบัตทเพื่อความบ่นทุกนั่นเองนะนี่คืออริยสัจสี่ก็คือให้เรารู้จักความทุก แล้วเมื่อรู้จักความทุกข์แล้วก็ให้เราไปบัตรเพื่อความดับทุกข์เพราะฉะนั้นนะจึงว่าเรารู้จักความทุกข์ไหมเพราะถ้าเราไม่รู้จักความทุกข์เราก็ไม่หาทางไปบัติเพื่อความดับทุกข์นะเพราะว่าอริสัตยสีนี่แหละคือหนทางแห่งความพ้นทุกข์ที่แท้จริงแล้วก็เป็นเป็นความจริงเนาะความทุกข์ก็เป็นความจริงใช่ไหมความทุกข์เราเราเห็นไหม อย่างถ้าเราสวดมนต์ธรรมวันเช้าก็จะมีการสวดบอกว่าการเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความโศกความรําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจก็เป็นทุกข์การพัดพาจากสิ่งที่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ประสบกับสิ่งที่ไม่รักก็เป็นทุกข์ ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปทานขันทั้งห้านี่แหละเป็นตัวทุกข์เนาะเพราะนั้นความทุกข์เนี่ยก็คืออภระการแรกเราต้องเห็นเห็นให้ได้ก่อนเนาะถ้าเราไม่เห็นเราก็คงไม่หาทางจากความทุกข์แน่นอนครั้นะี้ความทุกข์ถ้าแยกมาแล้วก็เป็นความทุกข์กายส่วนหนึ่งและความทุกข์ใจอีกส่วนหนึ่งเนาะความทุกข์กายนี่แหละ อ่าตอนนี้ถ้าเรารู้ตึกปวดเมื่อยไหมนะอันนี้เราก็มีความทุกข์นะแต่เราก็แก้ได้ใช่ไหมเราก็ลุกขึ้นไประหยัดกระบดอันนี้ก็แก้ได้แต่ว่าไว้ก็ต้องปวดเมื่อยใหม่นะก็ต้องกลับมานั่งมานอนมายืนมาเดินใหม่เนะ้อหรือบางท่านจใจหิวหิวนะเราก็แก้ได้นะก็ไปทานอาหารก็อิ่มแต่ไว้ก็ต้องหิวใหม่ใช่ไหมบางท่านง่วงนอนนะก็ไปนอนก็หายง่วงเนาะแต่ว่าก็ต้องง่วงใหม่ นะเพราะนั้นสภาวะในทางกายเนี่ยแหละเขาเรียกว่าเราเราเป็นการแก้ไขหรือเป็นการปรรทาทุกข์เท่งนั้นเองนะเราแก้จริงๆไม่ได้หรอกเพราะเมื่อมีกายและใจกายตัวกายเนี่แหละเขาก็จะเสื่อมไปเป็นประจำอยู่แล้วก็ต้องการ ก, การบํารุงดูแลรักษาไม่ว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่ามีความ อ, อย่างไรที่ปรากฏขึ้นในทางกายที่เป็นความเปลี่ยนแปลงนั่นแหละนี่คือความทุกข์ในทางกายซึ่งเราแก้ไขไม่ได้เนาะ ส่วนความทุกข์อีกตัวหนึ่งคือความทุกข์ในทางใจนะความทุกข์ในทางใจนี่มันไลยแรงมาทางกายเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าความทุกข์ทางใจเนี่ยมันสามารถเป็นเหตุให้คนค่าตัวตายได้นะจากเหตุต่างๆนะจากความผิดหวังอกอกหักนะหรือไม่ก็ปัญหาเศรษฐกิจนะต่างๆเราเนี่ยนะมันเป็นเหตุให้คนข่าตัวตายได้ไม่ยาก อีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่ค่อยเห็นนะคนที่นอนตามใต้สะพานหรือตามสถานีรถไฟหรือคนเก็บขยะเนี่ยพวกนี้ไม่ค่อยจะฆ่าตัวตายหรอกแต่คนที่มีฐานะดีมีความสุขในการยังทีบร่ำรวยพอสมควรคว ร, ร่างกายก็ดีนะแต่ว่าจิตใจเขาเนี่ยมีความเจ็บไข้ได้ป่วยทางใจเนาะ มีความเจ็บทางใจคือมีความป่วยทางใจเขารักษาไม่หายนะมันถึงทางตันก็เลยต้องไปฆ่าตัวตายกันเยอะแย ะ, ย ะ, ยะใช่เพราะเหตุอะไรเพราะว่าความทุกข์ทางใจนี้มันมันร้ายแรงมากนะเป็นเหตุให้คนฆ่าตัวตายแต่ว่าความทุกข์ทางใจนี้กลับสามารถที่จะรักษาหรือว่าทำให้หมดนะความทุกข์ได้อย่างเด็ดขาดเนาะอย่างเช่นพระหันท่านก็มีแต่ความทุกข์ทางกายเท่านั้น ส่วนความทุกข์ทางใจท่านไม่มีแล้วนะเพราะฉะนั้นการที่เราปฏิบัติธรรมนี้ก็คือเรามารักษาอนะความทุกข์ทางใจกันเนะเราไม่ได้ไปรักษาความทุกข์ทางกายเพราะความทุกข์ทางกายเราแก้ไขเกาไม่ได้หรอกแต่เรามาทําให้ความทุกข์ทางใจเราลดน้อยลงหรือว่าทําให้เข้าหมดไปนะตรงนี้คือประเด็นสําคัญต่างหากเข้าใจไหมครนะนี้เนะี่ยเมื่อเรารู้แล้วมีความทุกข์ทางกายและทางใจมีอยู่จริงนะ โดยเพราะความทุกข์ทางใจเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะรักษาให้หายเด็ดขาดได้แล้วเราจะทําอย่างไรเนาะ mm hmm. คราวนี้พระเจ้าก็เลยให้หนทางไว้ในข้อนี้โรดก็คือการดับทุกข์ดับทุกข์ก็คือการที่เราดับตัณหาเนั่นเองเนาะคือตัณหาเนี่ยคือสาเหตุแห่งความทุกข์ <c oughs> สาเหตุความทุกข์ก็คืออ่ายาหยางตัณหาโปโนโภวิกานันทิลาคะสาตา ต, ตัตระตตราทินันทีนีก็ได้แก่ ความที่มีตัณหานั้นเป็นเหตุให้นำเอกสู่การเกิดใหม่อันได้แก่ความเพลิดเพลินอย่างยิ่งดังต่อไปนี้คือการมตัณหาคือตัณหาในกามอันได้แก่รูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐพะธรมรมเนาะต่อมาก็คือภวะตัณหาคือความอยากได้อยากมีอยา ก, ยากเป็นทั้งหลายแหล่เนาะตรงนี้ก็ยังนำความทุกข์มาให้เรามากมายนะเพราะว่า ความนี้เราอยากได้แม้แต่อยากได้อะไรสักอย่างแม้เรายังแค่อยากได้มันก็เป็นความทุกข์แล้วเมื่อเราอยากได้มันไม่ได้มันก็มีความทุกข์ตามมาอีกต่อมาคือวิภาวตันหาก็คือความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็น <c oughs> คือการผักไสอารมต่างๆนะอันี่ก็เป็นประเด็นอีกตัวหนึ่งที่ว่าเราเนี่ยเราไม่ชอบอารมณ์อะไรแล้วก็ไปผลักตัวนั้ น, นตรงนี้มันกลายเป็นวิภาวตันหาไป เพราะฉะนั้นสาเหตุหองความเกิดทุกข์ก็คือตัณหาสามนั่นเองนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะละตัณหานก็คื อ, อนิโรธนิโรธนี่แหละคือความดับทุกข์นะเมื่อมันดับทุกข์แล้วมันก็คือการดับตัณหานั่นเองก็คือการทําให้ตัณหาไม่มีที่อาศัยให้ทําให้ตัณหาให้หมดไปให้ทําให้ถึงที่สุดแห่งตัณหานะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าถึงนิโรธ ปัญหาก็จะดับไปอย่างเช่นมีคํากล่าวว่าโยตัสสาเยวะตันหายะอเสสาวิลาคนิโลโทจาโคปนิสสะโคมุตตินาระโยก็คือการดับตัญหานั้นก็คือทําให้เกิดวิลาคะก็คือการคลายออกจากตัญหาหรือการจางคายจากตัญหานิโลโทก็คือการดับไม่เหลืองของตัญหาจาโโปรปนสละของตัญหา ปฏินิสสโคคือการสัลัดคืนของตันหามุติการปล่อยการวางของตันหานารโยคือการทําให้ตันหาไม่มีที่อาศัยเนาะเพราะฉะนั้นนิโรดนี่แหละก็คือการทําให้หมกตันหานั่นเองคําว่านิโรดนั้นนะจริงๆในความหมายของชาวพุทธก็มีความเข้าใจว่านั่นแหละคือพระนิพพานเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องไหมตรงนี้ก็ถูกต้องแล้วนะก็จริงๆแล้วเนี่ยประเด็นอยู่ที่ว่าเราทําให้สิ้น หรือว่าทําให้ถึงสุดแห่งทุกได้ไหมถ้าเราทําให้ถึงสุดแห่งทุกแล้วอตรงนี้นั่นแหละมันเป็นหนทางที่ว่าเราพ้นทุกได้จริงจริงนะเพราะฉนั้นเราไม่ต้องไปหาว่าพระนิพพานอยู่ไหนนะถ้าเราทําให้ถึงที่สุดแห่งทุกแล้วพระนิพพานก็จะปรากฏในใจเรานั่นเองเนาะต่อมาก็คือหนทางแห่งความดับทุกนะอันได้แก่ริมาร์มีองแปกเนาะอันนี้ถ้าย่นย่อลงมาแล้วก็จะเหลือเป็นศีลสติสมาธิปัญญาเนาะครนี้เนี่ย ผลทางในมรรคเนียงแปดเนี่ยพระเจ้าก็บอกว่าอสิ่งที่เป็นผนทางเอกหรือเอกายโนมโคที่ว่าผู้ใดปฏิบัติตามนี้แล้วผู้นั้นก็จะถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้จนทั่งมีคํายืนยันว่าปฏิบัติ ต, ต่อเนื่องกันอย่างอย่างเร็วนะไม่เกินเจ็ดวันอย่างกลางไม่เกินเจ็ดเดือนอย่างช้าไม่เกินเจ็ดปีก็จะบรรลุเป็นพระหรหันต์หรือถ้าไม่ได้เป็นพระหรหันต์ก็จะเป็นพระนาคามีอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะ นั่นก็คือไปบัตในสติปัฏฐานสี่นั่นเองสติปัฏฐานสี่มีอะไรบ้างก็คือการดําเนินไปในกายเวทนาจิตธรรมเนะอันนี้เริ่มต้นในกายก่อนนะจริงๆแล้วเนี่ยทั้งทั้งสี่อย่างนี่มันอยู่แค่ในกายในใจเราเท่านั้นเองครั้ง น, นี้สิ่งที่ว่ามันง่ายๆก็มาเริ่มต้นจากกายนี่แหละครา้นีนน้ท่านก็เริ่มต้นโดยอาณาปณะสติก่อนอาณาปณะสติเนี่ยเป็นเรื่องที่ว่า เป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่เรียกว่าถ้าทําได้แล้วก็เป็นผลทางที่ดีนะแต่ทีนี้มันก็อาศัยที่ว่าความเอียดของจิตเรามีพอไหมถ้าเรามีความเอียดของจิตพอเราก็สามารถที่จะรู้ลมหายใจได้เราลมหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจเข้ายาวหายใจออกสั้นก็รู้หายใจออกสั้นหายใจออกยาวก็รู้หายใจออกยาว ออันนี้สําหรับผู้ที่มีจิตที่ละเอียดพอสมควรก็สามารถที่จะรู้เช่นนี้ได้แล้วก็รู้รู้แบบสบายๆ <c oughs> ไม่ได้เบเพ่งให้เกิดความเครียดเกิดความตึงหรือตั้งใจมากเกินไปเนะพราะเราตั้งใจมากเกินไปปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดการมึนหัวการเครียดการตึงตามมาเนาะ <c oughs> อันนี้แสดงว่าจิตเรายังไม่ละเอียดพอที่จะจะเจริญานาปัญสตินะ ครั้ น, นี้พระพุทธเจ้าก็ให้หนทางอีกอย่างหนึ่งว่าเออ่เราอาจจะทําอย่างนี้ก็ได้เพื่อมันจะได้ง่ายขึ้นเราก็คือให้มารู้กายอ่าก็ทรงให้บอกว่าในบททั้งสี่นะก็คือบทใหญ่ <c oughs> ยืนให้รู้ว่ายืนเดินให้รู้ว่าเดินนั่งให้รู้ว่านั่งนอนให้รู้ว่านอนเนาะตรงเนี้ยก็คือคนเรานะมันก็อยู่ในบทใดบทหนึ่งอยู่แล้วถ้าเราไม่นั่งเราก็ยืนไม่ยืนก็นอนไม่นอนอก็ทําอะไรสักอย่างหนึ่งในบททั้งสี่นี่แหละ มันไม่ได้พ้นจากสี่อย่างนี้ไปได้เนาะ <c oughs> ต่อมาก็ให้รู้ในบทย่อยเรียกว่าสัมจัญญาบัพพนะก็ได้แก่เหลียวซ้ายลายขวาเดินหน้าถอยหลังผู้แขนเหยียดแขนค้มเงย <c oughs> ทรงทีบอลสังคตนะิดื่มลิ้มกินเคี้ยวนะอุ จ, จะละาปัษวะก็ให้รู้ว่าขณะนั้นกำลังทำอะไรอยู่เนาะตรงนี้ก็คือในบทย่ อ, อย่างตานก็ให้เรารู้ในสิ่งเหล่านี้นะ เนี่ยก็คือให้กลับมารู้กายนั่นเองว่าขณะนี้ปัจจุบันนี้เรากำลังทำอะไรอยู่นะตรงนี้เนี่ยถ้าเรารู้ว่าจริงๆแล้วนะสติปัฏฐานสี่ในข้อกายเนี่ยก็คือกลับมารู้สึกตัวนั่นเองกลับมารู้ว่าขณะนี้กายและใจของเรากำลังทำอะไรอยู่นะเรารู้ตรงไหนรู้ในปัจจุบันขณะนะปัจจุบันขณะเนี่ยเช่นนะตอนนี้เรานั่งเรารู้ไม่ว่นเรานั่งนะถ้าเรารู้ว่าเร า, านั่งนี่ก็จเจริญสติปัฏฐานสี่แล้วก็ในข้อที่ว่า อานั่งให้รู้ว่านั่งใช่ไหมคือกลัมารู้ในปัจจุบันนี่แหลยว่ากำลังทําอะไรอยู่เท่านั้นเองนะหรือเราตอนนี้จะยกมือสร้างอย่างไงอยู่ถ้าเรารู้ว่าขณะนี้กําลังยกมือนะนี่ก็เป็นการคูแขนเหยียดแขนอย่างหนึ่งซึ่งตรงกับในบทย่อยนะถ้าเรารู้ว่ากําลังยกมือขึ้นยกมือลงเนี่ยก็เป็นการปฏิบัติทำที่สําเร็จในตัวอยู่แล้วใช่ไหมหรือเราอาจจะนั่งกระดิกนิ้ว <c oughs> ข้ะนิ้วหรือทําอะไรนะในการเคลื่อนไหว เราก็รู้ในตรงนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นการแบบทำทั้งหมดนะเพราะนั้นอสิ่งที่พระเจ้าให้มานะไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรเลยกลับมารู้กายเราก่อนใช่ไหมรู้กายอครั้นี้เมื่อเรารู้กายแล้วเราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วการรู้กายมันไม่ยากเนอะรู้ตรงไหนรู้ในปฏิบัติธรรมนั่นเองใช่ไหมมันไม่ต้องอาศัยความความคิดอะไรเลยใช่ไหมอย่างเช่นนะเมื่อเช้านี้เราทานข้าวกับอะไรเนาะอันนี้ต้องใส่ความคิดแล้วมันดึงความจำเมื่อเช้าทานกับอะไร หรือพรุ่งนี้จะทําอะไรเราต้องอาศัยความคิดละพรุ่งนี้จะทำอะไรอันนี้ก็คือสิ่งที่ไม่ใช่ปัจจุบันคือดีหรืออนาคตต้องใส่ความคิดมาช่วยแต่ปัจจุบันนี้เราก็ไม่ต้องนะอย่างเช่นเรานั่งก็ไม่ต้องคิดว่าเรากําลังนั่งแต่เป็นแค่รู้เท่านั้นเองนะหรือเรายกมือสร้างอยูบก็ไม่ต้องคิดว่าขณะนี้กําลังยกมือสร้างจหยบกะแต่เราก็แค่รู้เท่านั้นนึกว่าขณะนี้กําลังสร้างจหยบอยู่อันนี้เป็นแค่ความรู้นะความรู้เท่านั้นเองนะรู้ในปัจจุบันนี่แหละ เมื่อเรารู้ว่าปัจจุบันกำลังทำอะไรอยู่นั่นแหละคือรู้สึกตัวแล้วนะเป็นการเจริญสติแล้วที่ง่ายๆนะเพราะนั้นตรงเนี้เราสามารถทำได้ตลอดเวลาให้อยู่ฐานกายใช่ไหอ่านะเราก็ไปบัดตรงเนี้เดินจงกรมสร้างยังหวะอันนี้อยู่ในฐานกายตลอดเลยแล้วเป็นยังไงนะคราวนีนะ้เมื่อเราทำไปแล้วมันก็จะมีความคิดแลบไปแลบไปแวบไปแว บ, บมานะ อันเนี้ยมันก็เป็นการเจริญข้อจิตตามุปัสนาสติปฐานเองเนาะก็เรียกว่าจิตมีราคะก็รู้่มีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ไม่มีราคะจิตมีโทสะก็รู้มีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ไม่มีโทสะจิตมีโมหะก็รู้ไม่มีโมหะอจิตทุงซ่ารู้จิตทุงซ่าติดตั้งมันกลัวจิตตั้งมันก็คือรู้ในอาการของจิตนั่นเองครันนี้ตรงนี้เราก็เมื่อเราอยู่กับฐานกายแล้วเราก็สามารถเห็นฐานจิตได้ โดยที่ไม่ต้อไปยุ่งกับเขาไม่จะไปคอยตั้งใจดูเพราะว่าการตั้งใจดูปั๊บเนี่ยจิตจะเริ่มแข็งแข็งเริ่มเริ่มเกิดความเครียดขึ้นมาเนาะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีฐานกายก่อนเนี่ยไปตั้งใจดูจิตปั๊บเนี่ยจิตจะแข็งจิตจะไม่เป็นปกติเพราะฉะนั้นการที่เรา อ, อยู่ฐานกายนี่มันก็เรามันมีเหรียญ น, นะมันจะมีด้านหัวด้านก้อยเนาะเมื่อเราหยิบด้านหัวมาด้านก้อยก็ต้องติดแน่นอน เพราะนั้นเมื่อเรารู้กายเราต้องเห็นจิตได้ด้วยอย่างที่ว่าดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมเนาะตรงนี้การที่เราเสามารถรู้กายได้เราก็จะเห็นว่าเออ <c oughs> เขาก็หลุดไปนะหลุดไปในความคิดบ้างเป็นไงนะกลับมากลับมาที่ความรู้สึกตัวใช่มทุกอย่างนะมันเกิดขึ้นไม่ว่า <c oughs> จะเป็นความคิดนะเราก็กลับมารู้สึกตัวได้ใช่ไหหรือว่าเราง่วงเราก็กลับมารู้สึกตัวเราเบื่อก็กลับมารู้สึกตัวนะนะเราโกรธก็กลับมารู้สึกตัวนะเรารักก็กลับมารู้สึกตัวนะเราหลงก็กลับมารู้สึกตัวนะเพราะนั้นอาการต่างๆอย่างที่ว่านะมันจะเกิดขึ้นไม่ได้นานใช่ไม พวกคนเราเมื่อรู้สึกตัวแล้วนะตรงเนี้เขาเรียกว่าเรามีเครื่องอยู่ของจิตนะมีเครื่องอยู่ของจิตก็คือให้จิตเนี่ยเขารู้อยู่กับปัจจุบันะเมื่อรู้อยู่กับปัจจุบันนี้แล้วสิ่งที่หลุดออกไปจากตัวรู้นี่ปับ๊บเราจะรู้ทันได้เร็วขึ้นเพราะว่าตรงเนี้ยคือฐานที่อยู่อของใจนะการเคลื่อนไหวต่างๆโดยที่ทําแบบสบายๆเนี่ยเมื่อทําสบายๆแล้วแล้วไม่ได้ไปเพ่งไปจ้องปั๊บเนี่ยเขาจะแสดงความจริง ว่าเขาก็เด <Yes. S 1> ี๋ยวก็หลุดไปหลุดไปแล้วก็รู้ทันก็กลับมารู้ทันก็กลับมาเนี่ยเขาเรียกว่ากลับมากลับมากลับมารู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งนะตรงนี้มันมันก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมนั่นเองนะปฏิบัติธรรมก็คือการกลับมากลับมารู้ไหนกลับมารู้ที่กายขณะนี้กาลังทําอะไรอยู่เนาะเพราะจิตมันก็มันก็ไปไม่ไกลนะอแต่ถ้าเราไม่รู้สึกตัวเราอยู่ไปบันนี่ก็จริงแต่เราไม่รู้สึกตัวเพราะฉะนั้นการบางทีเรานั่งเฉยๆปั๊บเนี่ย มันก็หลุดออกไปนานเลยนะนานนานเพราะว่าเราไม่มีเครื่องอยุ่งจิตไม่มีเครื่องที่เรียกว่าให้จิตก็เป็นเครื่องรู้อยู่นะเพราะฉะนั้นการที่เรารู้สึกตัวนี่แหละเป็นเครื่องให้จิตก็มีเครื่องรู้เครื่องอยู่นะเขาก็ไปที่ไหนก็ไปไม่นานนะก็กลับมาจากการที่เขาไปแล้วกลับมาเนี่ยเขาเรียกว่าทําให้จิตมีกําลังเนาะมันจะมีกําลังขึ้นมาเพราะฉะนั้นอ่าไม่ใช่การเจริญสตินี้ในแนวนี้จุดประสงค์ไม่ได้ทําให้จิตสงบเนาะ เพราะนั้นถ้าถ้าไม่ได้บอกตรงนี้นะหลายหลายคนก็คิดว่าเออเราทําแล้วให้จิตสงบนะหรือว่ารู้ต่อเนื่องยาวๆเราก็ไปบังคับให้รู้ต่อเนื่องยาวๆไปเลยนะอันนั้นอ่าอาจจะผิดประเด็นนะแต่ว่าเป็นการเขย่าธาตุรู้ให้มันัวขึ้นนั่นเองนะคนเราเนะี่ยมีธาตุรู้อยู่คือวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุก็คือเมื่อก่อนเราจะหลงมาทับจะตลอดคือเรียกว่าในชีวิตเราเนี่ยแหะ เราทจะไม่รู้สึกตัวเลยเราเราจะทําได้ด้วยความหลงเมื่อก่อนเราเดินแล้วก็เดินไปก็คิดไปเรื่อยๆ ค, ค, นนนนคิดไปนู่นคิดไปนี่เป็นความเคยชินนะคิดไปหรือเราแม้แต่แปรงฟันก็แปรงด้วยความเคยชินทานอาหารก็ ท, am, ทําด้วยความเคยชินส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ตลอดเลยนะเพราะเราเคยถามตัวเองไหมว่าเออเราแปรงฟันเนี่ยเรารู้สึกตัวหรือเป็น Lord, ความเคยชินหรือเราเดินเนี่ยเป็นความรู้สึกตัวหรือเป็นความเคยชิน เพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้ถ้าเราตอบตามความเป็นจริงว่ามันก็ ค, คือความเคยชินนั่นเองนะ <c oughs> การที่เป็นความเคยชินนั่นแหละก็คือการที่เราหลงไปแล้วนะเพราะคนเราเนี่ยเก้าเก้าจุดเ้าเปอร์เซนี่จะหลงแทบตลอดเวลาเลยอันนี้คือความเคยชินของจิตซึ่งจิตมันหลงไปนั้นเนี่ยมันนาอะไรมาให้มันก็นําความทุกข์มานะนําความทุกข์มาเพราะว่าจิตมันมันมันชอบที่ว่ามันจะหลงอยู่แล้วหลงไปทางไหนก็เป็นความปรุงแต่งนะบางทีเรื่องเก่าๆแน่ดี 5้าปี5้ ห, หรือสิปีก่อนน ะ, ะมีใครเข้ามาทําร้ายเรามีใครมานินทาเรามาว่าเรามาดูถูกเราหรือเราผิดหวงังเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะเราก็ไปคิดแล้วก็มีความทุกข์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหรืออนาคตยังมาไม่ถึงเลยเราก็มีความกังวลอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้คือความเคยฉีดดวงจิตที่มันชอบไหลเป็นอดีตไหลเป็อ น, นาคตยอยู่เป็นประจำนะครั้นี้นะเมื่อเราสามารถที่จะเปลี่ยนอุปนิสัยของจิต กลับมาใหม่จากที่เข้าหลงบ่อยให้กลับมารู้สึกตัวบ่อยอันเนี้เขาเรียกว่าเราเปลี่ยนนิสัยก็แล้วนะจังมาก่อนก็หลงนานเขาก็จะหลงสั้นลงสั้นลงเพราะกลับมาบ่อยๆการที่เขากลับมารู้บ่อยๆกลับรู้สึกตัวบ่อยๆเนี่ยค่อยหลงสั้นลงสั้นลงในขณะที่เขาหลงสั้นลงเนี่ยเป็นการเขย่าท่านรู้ไปในตัวให้เขาโตขึ้นท้ารู้จะโตขึ้นก็จะตรงเนี่ยในสุดท่านรู้จะโตพันควรแล้วเนาะถึงต่อไปเราไม่ได้ปฏิบัติธรรม นะตรงนี้สภาวะที่ท่านรู้ก็ เ, เรียกว่าจิตจะตื่นรู้ขึ้นมาเขาก็สามารถรู้ได้เองนะอ่าจิตแวบไปปุ๊บก็รู้ทันจิตแวบไปปุ๊บก็รู้ทันตรงเนี้มันมันเป็นสิ่งที่สําคัญมาก <c oughs> ก็เคยมีนักปฏิบัติคนหนึ่งก็ก็เคยถามว่า เ, าเมื่อก่อนนั้นเขาก็เขาก็จะโกรธนะโกรธอยู่เรื่อยเขาก็รู้ทั น, นเขาโกรธแต่ว่าบางทีมันอ่เช่นบางทีพูดคุยกันแล้วมันก็ามีความไม่พอใจมันจะเนียนเนียเขาจะรู้ไม่ทัน แต่พอามาเจระึกสติแล้ ว, ลวก็รู้สึกว่าเออมันทําไมอบางทีก็พูดก็ไปธรรมดาเนี่ยแหละแต่มีความไม่พอใจเกิดขึ้นทําไมเขารู้ทันได้เร็วะทั้งที่มันก็เนียนๆซึ่งเมื่อก่อนเขาไม่รู้ทันแต่ตอนหลังเขารู้ทันได้เร็วเขาสงสัยว่าเป็นเพราะอะไรอก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้มันเกิดจากว่าการที่เรารู้รู้ในการเที่ยวกับมันบ่อยๆนะก็คือแม้ตรการที่เราเดินจงกลมหรือว่าสร้างยังหวะเนี่ยมันก็คือกลับมารู้ในตัวบ่อยๆมันไม่ได้ไปรู้ภายนอก มาเมื่อก่อนจะรู้ภายนอกเป็นประจำแต่การที่เขากลับมารู้ตัวบ่อยๆเนี่ยกลับมารู้ตัวบ่อยรู้ซ้ําๆทักๆเนี่ยถึงแม้เราจะรู้สึกมันก็ไม่ได้อะไรเลยนะทํามันก็ไม่เห็นได้อะไรเลยแต่มันก็กลับมารู้กายบ่อยๆเดินมั่งยืนมั่งนั่งมั่งยกมือมั่งกลับมารู้บ่อยๆนะหรือมีความคิดก็กลับมาบ่อยๆตรงเนี้ยคือฝึกเขากลับมารู้สึกตัวพอรู้อย่างงี้ปุ๊บพออารมณ์ที่เรามาก่อนมันเคยก็ดิกยาวๆนั่นเราค่อยรู้นะมันก็เพิ่มแรงๆค่อยรู้ ตอนหลังเมื่อมันก็เพิ่มนิดเดียวหรือมันก็เดิกนิดเดียวเราเราก็รู้ทันแม้แต่มันเนียนก็รู้ทันนะอารมณ์บางทีเล็กๆลน้อยนะ้น่ยบางทีความพอใจเล็กๆลน้อยนก็รู้ทันหรือความไม่พอใจเล็กๆน้อยๆก็รู้ทันซึ่งไม่ต้องถึงกับความโกรธหรือว่าเป็นความยินดีแต่อย่างใดมันก็รู้ทันเนาะตรงนี้คือการพัฒ น, นาของใจที่ว่ารู้ทันอารมณ์ต่างได้ไวขึ้นเมื่อรู้ทันแล้วเป็นอย่างไรนะคือแทนที่ลมจะยาวนะความโกรธจะยาวมันก็สั้นลงสั้นลง นะหรือความ พ, พอใจมันจะยาวก็สั้นลงสั้นลงตรงเนี้ยหนทางตรงเนี้ยคือความทุกข์มันก็ลดลงในตรงนี้นั่นเองเนาะจากการที่เรารู้ทันบ่อยมันจะสั้นลงสั้นลงไปเรื่อยๆนะต่อไปมันก็จากการที่มันสั้นลงแล้วเนี่ยเมื่อเรารู้ทันในสภาวะหนึ่งมันก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปนะเราก็ไม่ต้องไปแปลอะไรก็ได้มันกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปไปเอามาก็เราก็เห็นในสภาวะธรรมตรงนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาไปเห็นะจิตที่เป็นธรรมดาก็คือใจที่เป็นกลางที่มันมันเข้าใจธรรมะแล้ว ก็อย่างที่ว่าดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมมาเพื่อมันเห็นไปบ่อยมันก็เรื่องธรรมดานะความกวกเป็นเรื่องธรรมดาความรักก็เป็นเรื่องธรรมดาเราบังคับบัญชาไม่ได้เข้ามาแล้วก็ไปเราก็เลยไม่ให้ค่ากับสิ่งต่างเนาะเพราะเมื่อก่อนนั้นเราก็ให้ค่าสิ่งต่างนะมันดีใจแล้วก็ให้ค่ากับเขาเสียใจก็ให้ค่ากับเขาผิดหวังก็ให้ค่ากับเขาความรักก็ให้ค่ากับเขาทุกอย่างนี่แหละคือใจที่มีตัณหาอยู่มากมายนะมีตัณหาอยู่มากมาย แต่พอตอนหลังถ้าเรารู้ทันตรงเนี้มันเป็นการละตันหาในตัวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเริ่มรู้แล้วว่าตันหาเกิดจากอะไรเกิดจากใจที่มันคิดไปปรุงแต่งเท่านั้นเองน ะ, ะมันเห็นตาเห็นรูปปุ๊บก็ไปรุงแต่งเกิดความยินดีเกิดความเมตใจแต่เมื่อตอนหลังถ้ามีสติปุ๊บเห็นรูปอย่างเก่านะนะั่นแหละมีความพอใจแต่มันเริ่มเห็นแล้วเออตอนนี้ใจเนี่ยมันเริ่มจะพอใจมันกลับไปเห็นความปรุงแต่งแทนมันก็เลยดับลงไปนะนี่การดับตันหาตันหาเพราะเมื่อการที่ดับตันหาบ่อยๆมันจะเกิดอะไรขึ้น อย่างที่บอกแล้วนะนิโรดนั่นแหละคือการดับตันหาเมื่อตันหาน้อยลงตันหาจ้างคายตันหาหมดไปนี่แหละคือนิโรดคือคนทางแห่งพลันพานเพราะพลันพนนานก็อยู่ไม่ไกลนะตรงนี้ทราเข้าใจเราแค่จเจริญสติบ่อยๆเห้มันกลับมาบ่อยๆเท่านั้นเราก็รู้ทันรู้ทันใจได้อย่างรวดเร็วนะตรงเนี้เราจะสามารถควบคุมใจได้ไม่ยากเนาะถ้าเราไปบัตรไปสรัระยะในบางคนก็ไปบัตรหาสัก5ปีเราเคยสังเกตไหมว่าเออบางทีเมื่อก่อนที่เราเคยโกรธเกง่ง มันเริ่มเบาลงไปแล้วเนาะหรืออารมณ์ที่มีความทุกข์มาก่อนสมัยนั้นอาจจะทุกข์นานๆมันก็เริ่มเบาลงไปแล้วนะหรือเราอาจจะมีความรักความพอใจยึดมั่นในลูกในสามีในภรรยาเรามากมายแต่ดิ้นนี่มันก็น้อยลงไปแล้วนะอันนี้ก็จริงๆมันไม่ได้เกิดจากอะไรหรอกเกิดจากว่าเรารู้ทันบ่อยๆนั้นนะรู้ทันบ่อยๆมันก็รู้รู้มันก็ดับดับดับคือมันตั้นถามไม่ต่อเนื่องมาสมหยก่อนเนาะตรงนี้ก็เห็นว่ามันก็นั่นแหละ มันก็จะเห็นว่าเราความทุกข์มันลดลงไปแล้วเนาะตรงนี้ก็คือเราเดินถูกทางแล้วนะสําหรับการเจริญส ต, ติแต่ถ้าปปฏิบัติธรรมแล้วมันทํำไมกิเลสมันมากขึ้นน ะ, ะความโกรธมากขึ้นต่างๆทงๆั้งหลายแหล่หรือมันเท่าเก่ามันไม่ลดลงไปเลยความทุกข์ก็มากขึ้นอันนี้แสดงว่าเราอาจจะปฏิบัติไม่ถูกทางเนาะเพราะเมื่อเราไปปฏิบัติถูกทางแล้วเนี่ยผลทางนี้เป็นผลทางแห่งความ้นทุกข์แน่นอนมันไม่ได้เป็นผลทางอื่นเลยเพราะว่านี่แหละคือผนทางแห่งการดับปัญหา ผลต่างการที่ทําหายตันหายหสิ้นไปเนาะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดไปบัตรทุกทางแล้วจะเห็นว่าเออเนาะความทุกข์มันน้อยลงไปจริงๆเนาะครั้นี้ก็มีนักไปบัตรอีกคนหนึงอันนี้เพิ่งเป็นมือใหม่หัดขับเนาะก็เขามารายงานว่าจริงๆแล้วไปบัตรเวลาไปบวตก็ไม่ห็มันจะได้อะไรเลยมันก็มีแต่ความความเบื่อแล้วก็ซ้ำซากอยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้อะไรแต่กอนหลังก็สงสัยว่าเออทําไมเขารู้สึกกบนลุกน้องน้อยลงไป บ่นน้อยลงไปกว่าเก่าแล้วก็ลูกเขามีลูกอยู่สี่คนนะลูกอายุประมาณสิบกว่าหรือยี่สิบกว่าแล้วอ่าเสร็จแล้วก็เขาก็คุยกับลูกอยู่เรื่อยๆนะแต่วพอดีมีลูกคนหนึ่งก็กล้าบอกกับเขาว่าจริงๆแล้วที่แม่เห็นว่าลูกมีปัญหาเนี่ยแต่เราคนมีปัญหาอย่างโน้นเนี่ยจริงๆแล้วคนที่มีปัญหาก็คือแม่นั่นเองนะไม่ใช่ลูกหรอกเขาก็ได้ยินเงี้ยเขก็เลยก็เลยเกิดความอ่า เกิดความถูกคิดขึ้นมาได้นะเขาก็ไม่ได้โกรธลูกเลยเขามาถูกคินเออจริงๆมันนายเป็นตัวเราที่มีปัญหามากกว่านะเขาบอกถ้ามันเป็นสมัยก่อนนะเขาต้องเอ็ดลูกบ้าลูกแล้วทําไมพูดแบบนี้ทํำไมไม่เชื่อฟังแต่จากการที่เขาเออปฏิบัติธรรมก็เลยเข้าใจเออจริงๆแล้วปัญหาอาจจะเกิดกับตัวเขาเองก็ได้นะคือเขาเริ่มจะกลับมาออหาตัวเองแล้วนะอ่าการนี้ไม่บมลูกน้องต่างๆก็กลับมาหาตัวตัวเองแล้วเขาสงสัยว่านี่เป็นการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องไหม ก็บอกว่าเนี่ยมันถูกต้องแล้วนะคือการปฏิธรรมนี่แหละถึงแม้เราจะรู้สึกมันไม่ได้อะไรก็จริงแต่เมื่อเรากลับไปเผชิญโลกใหม่กลับไปสู่ในทางโลกเราจะรู้ว่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอซึ่งตรงนี้เราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนเนาะเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไปฏิธรรมอาจประจําเดือนหรือว่ากลุ่มคุณหมอเนาะต่างๆเลยต้องเอาไปไปจวนโลกอย่างแน่นอนนะคุณหมอเนี่ยตอไปก็เียกว่าจะมีปัญหาเยอะเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่า การรักษาถ้ามีการผิดพลาดเกิดขึ้นก็สามารถที่โดนฟ้องไดนะ้การที่โดนฟ้องนี่ก็เป็นคดียายานะซึ่งร้ายแรงมากนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ก็จะนําความทุกมาให้เราแทบจะตลอดเลยความทุกความกังวลความเครียดต่างๆตามมามากมายนะถ้าจิตเรานะไม่ได้ไปฏิบัติธรรมอารมณ์เลยเนี่ยก็จะเป็นผู้กําหนดชีวิตเราให้มีแต่ความทุกนะเพราะนั้นหมอจะอายุสั้นเพราะมีความทุกจากความกังวลความเครียดความที่เรา เบื่อนายทั้งหลายและนี่แหละเราก็ใหญ่อายุสั้นแต่ถ้าจิตเรามีสติอยู่ตัวนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็รู้ว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเราทําเต็มที่แล้วไม่เป็นไรทุกอย่างเกิดขึ้นมาเราก็แค่ยอมรับไปเท่านั้นเองนะเราจะไปบังคับให้สิ่งต่างๆเป็นไปไตามใจแล้วไม่ได้หรอกไม่หอกจะเป็นความเครียดความกังวลความทุกข์มันก็เกิดมาแน่นอนนะอยู่ที่ว่าจิตเราเนี่ยสามารถเข้าใจเข้าไหมเรายอมรับความจริงไหมเราเห็นไหมสภ า, าวะธรรมต่างๆเหล่านี้นะเมื่อเราเห็นปุ๊บเนี่ย สภาพว่าต่างๆมันจะสั้นลงน้อยลงดับลงเร็วขึ้นตรงเนี่ยความทุกข์เราก็จะลดลงไปในตัวนะเพราะนั้นเมื่อเราจเจริญสติได้ถูกต้องแล้วเรารู้สึกว่าเออบางทีนะหมอก็หนึนทําไมเขามีความเครียดมีความกังวลมีความทุกข์มากแต่ทําไมเรามีน้อยกว่าเขาเพราะว่าตรงเนี้ยเราสามารถที่จะรู้แล้วว่าจิตใจของเราเนี่ยมันดําเนินในทางผลทันที่ถูกต้องก็คือเขามีสติรู้เท่าทันอาการของจิตใจรู้ได้เร็วเมื่อรู้ได้เร็วเขาก็เริ่มปล่อยเริ่มวางเริ่มเยือติด นะตรงนี้ความทุกข์เราก็จะลดลงเนาะเพราะว่ตรงนี้เมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วเราสามารถเราไปสู่ในทางโลกได้อย่างอมีความมั่นใจนะมั่นใจว่าตรงเนี้ยเราสามารถที่จะเดินไปได้ด้วยความมั่นใจอไม่ใช่เดินด้วยความอกลัวหรือด้วยความพิตกกังวลหรือด้วยความทุกข์อันนั้นอ่ะมันเป็นหนทางที่ไม่ถูกต้องนะคนเราสามารถเลือกทางเดินเราเองได้นะอยู่เท่าไรเราจะเลือกเองเป็นไหมใช่ไหมถ้าเลือกไม่เป็นเราก็มีความทุกข์ในหนทางนั้น แต่เราเลือกเองเป็นแล้วเราจะรู้สึกว่ามันก็ไม่ทุกข์นะเราจะทํางานต่างๆได้ด้วยความสุขการทํางานด้วยความสุขนั่นแหละคือการปฏิธรรมในตัวเนาเพราะฉะนั้นใครที่ทํางานแล้วมีความสุขนั่นแหละปฏิธรรมถูกต้องแล้วนะในตรงนี้ทุกคนเนี่ยสามารถทําได้ทั้งหมดอยู่ที่ว่าเราเข้าใจเข้าไหมนคนทางความพ้นทุกข์ก็ไม่ไม่อยู่อยู่ไกลนะไม่ได้อยู่ไกลแค่เรารู้จักอ่าตัณหาในตัวเราเท่านั้นเองนะตรงนี้แล้วเราค่อยๆรู้ทันแล้วเขาก็จะน้อยไปดับไปนั่นแหละคือผนทางแห่งความพ้นทุกข์หรือนิโรธ หรือพระนิพพานอยู่ในตรงนี้เนาะเพราะนั้นในท้าที่สุดนี้ก็ขอรัตนาบาลมีคุณและตะไรน้อมนาทุกท่านจเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพันธุทุกท่านเทอญ